ใช่จะอวดดีว่าบาปไม่มีบุญ ไ, ไม่มีพระพุทธเจ้าทุกโอไม่มีโอในตัดชดชดชขึ้นมาแล้วปฏิเสธบาปบุญไม่มีนรกสวรางไม่มีไม่มีพระ อ, องค์เดียวยอมรับที่ทว่าพระ อ, องค์เดียวไม่มีปฏิเสธยอมรับการบดแล้วใครเราจะไปเก่งกว่าผู้เจ้าประจักษ์ไหนว่าบาปบุญนรกสวรางไม่มีอ่